ท่านก็ บ, บวชอยู่ที่นี่เป็นพระ2 5 0 5เหมือนกันแต่สำหรับหลวงพ่อเองบวชเป็นสมนัมมณีที่นู่นะที่มุกดาหารอยู่กับหลวงปู่ล่าหลวงพ่อก็เป็นเลน2005เหมือนกันนะเป็นเนน2อ0 5ันปี2500หรหลวงพ่อบวชเป็นสัมเนณีอายุ11เอ 11. อยย่าง12ปีพอจบปอสี่แล้วก็พ่อแม่ของมอบขึ้นผู้เจ้ากอ ที่จังหวัดมุกดาหารบวกเป็นเนนของหลวงปูล่ลาภเพราะนั้นหลวงพ่อก็ได้บวชเป็นสัมเนรเกื่งพู้ t h a เหมือนกันเป็นสัมมเนรอยู่แปดปีที่ภูเจกอกอจากนั้นก็ปีศูนย์แปดหลวงพ่อก็ได้บวชเป็นพระตั้งแต่บวชปีศูนย์แปดมาถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบกเนยลูกหลานนับดูสิว่าชีวิตของ ทางชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินทไว้เนี่ยฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปีสองสองพันห้าร้อยจนถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบหกปีนี่แหละอะกี่ปีนั่นนะแต่หลวงพ่อบวชเข้ามาแล้วอก็มีคนถามมันเป็นไงหลวงพ่อบวชเข้ามาหลวงพ่อโอ้ภาคภูมิใจอย่างมากชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อ ในชาตินี้ได้ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาตลอดไปเป็นที่น่าภ า, ภาคภูมิใจอย่างมากเพราะว่าไม่ได้ทำความอะไรเสียหายมีแต่ประกอบคุณงามความดีเป็นพระกรรมฐานมาโดยตลอดพออยู่กับหลวงปู่ล่าเป็นเวลาเก้าปีอยู่กับหลวงปู่จามหลวงปู่จามมหาปุญโยที่เป็นหลวงอาหลวงอ า, งอาของหลวงพ่อหลวงปู่จามนะ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 หลวงพ่อจึงแนะแนวสายแนวแถวหลวงปู่มั่นแต่สายอื่นถูกไหมถูกหลวงพ่อไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ดูถูก เ, เหยียดยามสายนั้นสายนี้แต่ว่าเหมือนกับพิชาอาชีพในการแนะนำสั่งสอนก็เราบอกกล่าวของมนุษย์ชาติมันมีมากหลากหลายทำไรก็ได้ทำนาก็ได้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 ถึงจะสายไหนก็เถอะจะเป็นยุคหนอพองเนอก็ดีแพ่งรวงแก้วก็ดีเออรือว่ากาหนดเวทนาในการเคลื่อนไหวพอดีหรือดูจิตใจก็ดีการล้วนแล้วแต่อยู่ในสติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมถ้าเราได้ศึกษาดูให้ดีแล้วมันมีอยู่สี่สีแนวทางคือกายเวทนาจิตธรรมอันนี้คือจติปฐานสี่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 สงฆ์ข้อเข้าจุดไหนสงฆ์ข้อเข้ามุเวทนานุน ป, ปัสนาสติปัฏฐานคือการเคลื่อนไหวการรู้สึกและให้กําหนดจิตการเคลื่อนไหวของจิตเรานึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้อันนี้ว่าจิตตานุ ป, ปัสนาสติปัฏฐานถ้ า, าว่าเราดูใจที่อารมณ์เข้ามากระทบเมื่ออารมณ์เข้ามากระทบเราก็ดีใจอารมณ์ที่พอใจเราก็ดีใจ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 เอาแนวแถวพุทธประวัติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านทำอย่างไรแนวความคิดเบื้องต้นทีแรกท่านทำอย่างไรอันดับแรกกท่านปกครองราช ส, สมบัติอายุถึงยี่สิบเก้าปีเป็นพระเจ้าแผ่นดินจากนั้นท่านก็ได้ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายอันนี้หลวงพ่อพูดแบบพร่รัด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 นะดูแลประเทศชาติดูแลพี่น้องประชาชนประสบนิกรทั้งหลายตั้งเวียงทั้งวังมากมายเราคงไม่มีความคิดที่จะคิดหาช่องทางได้เนี่แหละพระองค์จึงตัดสินประทศไทยหนีออกบวชกลางคืน อ, อันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือพระองค์พร้อมด้วยบุญวาสนาบา ร, รมีเก่าเต็มพร้อมเตรียมเปลี่ยมบริบูรณ์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 บารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์แล้วพระองค์มองโดยแล้วไม่มีอะไรที่จะลังอยู่พระองค์ควอนหนีออกกลางคืนนั่งม้าขันตกะกับนายชนะไปเท่ากันสามชีวิต อ, ออกจากเวียงวังจากนั้นก็ไปบวชอยู่ที่แม่น้ำอนโนมาณทีแขวงเขตแขวงกรุงราชจะคื อ, อทุกวันนี้เขาบอกว่า จากกรุงกระรบิกะบินลพัฒมาถึงกรุงราชสักตรงที่พระพุทธองค์ทรงผนวดนั้นน่ะที่แม่น้ำอโนมานาถีห่างกันประมาณสองร้อยกว่ากิโลไกลพอสมควรนะจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงถือแพทย์บวชก็สงให้ในายชนะกับเวียงวางม้าผลที่สุดก็ม้าก็ตายอพอรับตา ออพอไม่เห็นสิทธะขึ้นมานั่งบนหลังม้าก็อกแตกตายสิทท่านชั น, นะาก็คงจะได้ห่อสิ่งของแล้วคงจะเดินกลับตามลำพังเอออันนี้ก็คือพุทธพุทธประวัติจากนั้นพระ อ, องค์อยู่ตามลำพังเมื่อทรงผนวดแล้วก็ใส่ทรงเครื่องสมณะนักบวชในสมัยนั้นจากนั้นพระ อ, องค์ก็เลี้ยงชีวิตตามอัตภาพ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 ท่านปัญจวัคคีทั้งห้าคือไปจากกรุงก บ, บิลพัทก็ไปช่วยดูแลปนิบัติสิทธัตถะอยูดูแลจากนั้นสิทธัตถะท่านก็อาทาความภาคเพียรตามที่ท่านเห็นว่าทุกอที่ท่านจะพ้นทุกที่ท่านจะรู้แจ้งเห็นจริงท่านจะทําอย่างไรอจนถึงอดภกยาหารตึ้งสี่สิบเก้าวันพวกเราคิดดูซิว่า พระมาหากษัตริย์ถึงขนาดนั้นอดพระกยาหารถึง4ี่วันแล้วก็ทานอาหารพวกเราได้ศึกษาในพุทธประวัติแล้วพราะพทธองค์ไม่ได้เน่งดูดายในขณะ อ, อยู่ตามลำพังถึงหปีนั้นผลที่สู่กันเนี่ยท่านก็ว่ากิเลส ท, ทั้งหลายมันอยู่ในกายท่านก็บำเพ็ญเพื่อจะให้ชำระกายใ ห, ให้สะอาดเพราะเกตกิเลสอยู่ในกาย แต่พออดพระกายอาหารดูแล้วไม่ใช่กิเลสมันไม่อยู่ในกายมันอยู่ในอยู่ในใจฮ ะ, ะจากนั้นท่าน ก, กลับมาสวยพระกายอาหารในช่วงนั้นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้หนีจากสิท ธ, ธัตถะแยกตัวออกไปจากนั้นพระ อ, องค์ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรพระ อ, องค์ก็อยู่ตามลาพังทดลองผิดทดลองถูกทดลองผิด ทดลองในการประพฤติปฏิบัติของพระ อ, องค์อยู่ตลอดอพอได้สุดวันสุดท้ายที่ไหที่พระพุทธเจ้ า, ยยาได้ตัดสู้นะ่ะได้ตัดสู้อะไรนะที่ท่านทดลองมาถึงหกปีนะนะั่นน่ะวันสุดท้ายวันเดือนหกเพล็ดวันเดือนหกเพนนะนะ์น่ะที่ท่านนั่งอยู่ที่คโคลนต้นโพที่พุทธกยาวันนั้นนายโสติยะไปเกี่ยวญ่าคาผ่านมาได้มอบย่าคาให้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 ในเมื่อพระ อ, องค์นั่งเออตอนหัวค่ําในปฐมมสมพ่หรือในพุทธประวัติบอกว่าพระอาทิตย์ยังไม่อัดสดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมถึงพอจิตใจไม่คิดถึงอดีตจิตใจไม่คิดถึงอนาคตใจของพระ อ, องค์พระไทยของพระ อ, องค์อยู่ที่ปลายจมูก พระไทยของพระ อ, องค์รวมสงบพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณาทัศนะเกิดฌานล้ำลึกชาติผลหลังได้เรียกว่าปุเพเนวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้นี่แหละอันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าได้ญาณทัศนะเป็นครั้งแรกอันแรกเรียกว่าปุเพเนวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้เพราะฉนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราสังเกตที่นี่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 ที่สิ่งที่ให้เกิดนั้นคืออะไรจากนั้นพระองค์ก็นั่งสมาธิทำจิตใจให้นิ่งลงไปอีกดูอีกทีนี้คราวน้าคราวนี้ดูคนอื่นทีนี้ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยที่แรกก็ดูตัวเองแต่นี้ต่อไปเนี่ยดูดูพวกญาติโยมทีนี้แต่ละคนที่นั่งอยู่อันนี้พระพุทธองค์ะว่าจุตูปะ ป, ะ ป, ะปะตาตยา น, นยคือได้ย า, าณทัศนประเภทหนึ่งขึ้นมาอีกคือฌานขึ้นมาอีกจุตูปะ ป, ะ ป, ะปะตาตยาน คือดูสรรพสัตว์ทางหลายสรรพสัตว์ทางหลายทำไมไม่เหมือนกันเกิดมาแล้วทำไมไม่เหมือนกันคนหนึ่งร่ำรวยคนหนึ่งยากจนคนหนึ่งขี่ไล่ขี้เลคนหนึ่งหูหนวกตาบอดอคนหนึ่งร่ำรวยคนหนึ่งสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คนหนึ่งก็เป็นบ้าไปอย่างพวกเราท่านทางหลายได้เห็นทำไมคนเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะพระพ อ, รองค์ก็มองดูแล้วอันนั้นคือกับ กรรมคือการกระทาถ้าใครทำกรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองไปในทางที่ดีถ้าใครใครทากรรมชัว่วกรรมชั่วก็จะจะตามสนองไปในทางที่ชัว่วเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอากคตังดุกตังเสโยปัชชาตะปฏิดุ ก, กตั ง, ตต ก, ก, ตงกรรมชัว่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชัว่วเมื่อทำแล้วจะทำให้พวกเราท่านทั้งหลายเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละ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 มาเกิดมาถึงจุดนี้มาจากไหนมาเกิดพระ อ, องค์ก็ย้อนกลับไปดูไปดูตัวบอกเกิดของใจในบอกเกิดของผู้รู้คือใจของพระ อ, องค์แต่ละคนมาจากไหนท่านก็บองเกว่าเกิดมาจากอวิชชาอวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณนะังวิญญาณปัจจะยานามารูปังสรายตนะพัสนาเวทนาพบชาติฉรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมณ ส, สุ สรุปแล้วก็คือใจตรงนี้เกิดมาจากอวิชชาคือความโงเ่เพราะเราโง่เราจึงเกิดมาพออวิชชาปัิยาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณไล่จนถึงร้องห่มร้องไห้พิรัยรำพันเนี่ยเพาะเกิดมาจากจุดนั้นเพราะนั้นพระองค์ใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาทำอย่างไงใจตรงนี้จึงมาเวียนไหวตายเกิดเพราะอะไรเพราะกิเลสกิเลสคือตัวไหนราคะ ตัวราคะตัวโทสะตัวโมหะตัวโลภโกรดหลงนี่แหละพาสัระสัต์ทั้งหลายเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นพระองค์ก็ใช้ตปธรรมคือสินสมาธิปัญญาการกรองไตรตรองเผากิิกเลสเผาจิตใจของพระองค์ เ, เพ่งพิณิตด้วยอริยสัจสี่ด้วยมรรคแปดสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น สัมมาสมาธิเป็นปริโยสานจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสรุปเป็นพระอนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนนั้นสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าวันเดือนหกเพ็นนั้นได้ตัดสรุปทำสามอย่างที่แรกว่าปุปเพเนวาสานุจติญาณพอถึงเที่ยงคืนจุตูปปาตญาณพอจวนสว่างแล้วอาสาวกายายญาญญาญอย่างรู้ว่าพราะองค์หมดกิเลสแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายแล้ว ท่านจะไม่มาเกิดอีกแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือญาณรทัศนะของพระพุทธเจา้าแต่ท่านได้มาพูดเกี่ยวกับสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นของเราเปรียบเทียบที่นี่คล้ายๆกับว่ามีบอ่อหล ม, มะครูขึ้นมาแล้วเอพวกเราก็สายหลวงปู่มั่นของเราเดินยังไงเอไปแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนไหมหรือว่าไปแนวไหน หลวงปู่มั่นของพวกเราท่านบอกว่าวิธีการนั่งภาวนา อ, อ, อันดับแรกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายคณะทายาิรวมลูกหลานหลายวิธีทําทําอย่างไรถ้าว่ามีโอกาสอย่างวันนี้ละ่ะ เ, เราจะมานั่งที่ศาลาหแห่งนี้เราซันั่งที่สงบสงัด อ, อ, อย่าไปนั่งที่วุ่นวายเพราะฉะนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงพายบาดแบกปลดเข้าไปอยู่ป่ารงพงไพ่ไปตามถ้ำตาม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 แต่พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเรามีภาระธุเลการงานเราก็ควรจะสวัสวงหาที่สงบอย่างที่มาวัดอย่างนี้ละเรานั่งอยู่ตามเอกเทศอย่างนี้ละหรือว่าอยู่ในบ้านของเราเราก็หาหมุมสงบในห้องพระรอ่าแล้วดูในห้องของเราที่ไม่มีคู่คนแล้วก็ปิดวิทยุโทรทัศน์อ่ปิดโทรศพัพท์ซะที่เราจะนั่งภาวนาโทรศัพท์ก็ให้ปิดนะ ก็ เ, เห็นเลยมันไม่รวยเร็วกระทันหันขณะที่เรานั่งสมาธิหรอกเพราะมันเป็นภาระมันเป็น เ, เครื่องลบกวนสำหรับเราปิดไปก่อนอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใครจะโทรมาก็โทรมาเอามันไม่เสียหายอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกวิทยุก็ปิดโทรลัดปิดโทรทัศน์ปิดาจากนั้นก่อนเนี่ยว่ายพระไหว้พระอรหังสวาขาโตสุปฏิปันโน แล้วก็นอบน้อมพระพุทธเจ้านมโมตัสสะพระกวัวะโตอะราโตะสมาสัมพุทธัสสะกล่าวนมโมสามจบแล้วก็พุทธังธรรมังสังขังสรารนางังคัฉามิดุติยัมปิตะติยัมปิพุทธังธรรมังสังขังสรารนางังคัฉามิเราได้ขนาดเนิอแล้วถ้าได้มากกว่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราได้ขนาดนี้ก็พ อ, อ, อจากนั้นก็แผ่เมตตาพนมมือทําใจให้เิ้งเน่งทำใจให้สงบแผ่เมตตา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 พออัดมือลงแล้วกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพทหายใจออกบริกรรมโทอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำลูกศิษย์ของท่านครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านจะสอนบอกว่าให้ภาวนาพดโทหายใจเข้าพทหายใจออกโท ถ, ถ้าว่าเรากำหนดลมหายใจอย่างที่พระพุทธเจ้ากำหนดที่โคลนต้นโผนั้นมันหายได้มันหายมัน ห, นหลด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 แต่อนุสติสิบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยคืออนุสติสิบคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานสติมรณะนุสติอุปสมานุสติคืออนุสติสิบแต่หลวงปู่มั่นนำมาใช้สองอย่างคืออานาปานสติกับพุทโธนะเพราะนั้นให้พวกเราอย่าแปลกใจ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 บางทีก็ได้เงินมากก่อนับนั่นกันนับสิของนับนั่นนับนี้แต่บัดนี้ให้นับลมหายใจเข้าออกของตัวเองดูซิเวลาหายใจเข้านับหนึ่งเวลาหายใจออกนับสองสาสี่ห้าแต่อย่าไปกลึงอย่าไปเกรงนะอย่าไปแต่งลมนะให้เป็นธรรมชาติที่สุดเพียงแต่ว่าให้มีสติสัมปชัญญะในลมในการนับลมหายใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแปด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 ถ้าเป็นอย่างนั้นไปนวัตสติของเราจะเลือนรางไปเรื่อยๆอันไซเมอร์หรือว่าเออมันจะพกหลงลืมเข้าไปเรื่อยๆเท่นี้เพรา ะ, ะนั้นเราต้องพยายามตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกเออมันเผลอได้ยังไงงั้ให้มันเผล อ, อ, อใชหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองนับไปถึงร้อยนี่ยแหละให้ตั้งใจใส่ใ จ, ใจนี่ยแหละถ้าเมื่อเราใส่ใจอย่างนี้แปลว่าเราเริ่มเริ่มฝึกหัดสติให้เข้มแข็งขึ้น เมื่อสติของเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ค่อยดีไปเองแต่ถ้าว่าเราสติของเราเลือนลางล ะ, ละเลือนแล้วนะ่ะเออมันจะละเลือนไปเรื่อยเมื่อเท่าแกชรากรจริงละเลือนไปเรื่อยๆไม่เป็นผลดีสำหรับพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราใส่ใจในสมาธิเวลาหายใจเข้าเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยว่าสติของเราดีขนาดไหนบางทีนับไปถึงสิบเช็วยซ้าไปมันเผลอไม่รู้กี่ครั้ง เพราะนั้นขอให้พวกเราใส่ใจในการฝึกสติในเมื่อเราฝึกสติดีแล้วเริ่มฝึกสติสติของเราเริ่มดีเข้าเข้าที่เข้าทางจากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบระนาที่นี้นะใจไม่เผลอออกจากจมูกปลายจมูกของตัวเองใจของเราอยู่ในปลายจมูกจากนั้นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเพราะมันไม่เผลอมันจะจิตใจเย็นว่าเย็นสบายในความรู้สึกของเรา อันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธินะเริ่มเป็นสมาธิแลนวณที่นี้นะจิตใจของเราได้รับสมาธิขึ้นมาเป็นเบื้องต้นอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิจิตใจของเราสบายเย็นสบายแต่ เ, เอาเถอะถึงจะเย็นสบายก็อย่าไปใส่ใจมันมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเป็นอนิจจังเหมือนกันหายไปไม่ต้องใส่ใจมันดิเอะในช่วงนั้นข้าพเจ้านั่งภาวนานมันสงบมีความสุขเลิศเกิด อยากให้มันเป็นอย่างเก่าอย่าไปคิดปล่อยมันไม่ต้องหามันเหมือนเราทานอาหารเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยอาหาราครั้งก่อนก่อนเมื่อวานอาหารอร่อยมากแล้วจะเป็นลำพึงลำพันถึงอาหารที่เราได้ทานอยู่ตลอดเวลามันไม่ถูกเราต้องหาใหม่ลองต้องหาใหม่กําหนดลมหายใจเข้าออไม่ต้องคิดถึงมันอีกนี่แหละมันจะสงบใจของเราจะสงบพอสงบคราวนี้นะ่ะ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 อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นว่าสมาธิหัวตอ่ออแปลว่านั่งเข้าไปแล้วมันหายแสลับไปมันหัหายไปไหนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธินะไม่ใช่อัปปนาสมาธินะเป็นสมาธิหัวตอ่อเหมื่อหัว ต, อ ต, อตอ่อหัวต้นต่อต้นไม้นะมันนั่งจุกจุกปกอย่างนั้นะถึงจะมดจะตายถึงจะอะไรจะมาตายก็ไม่รู้จะว่านหลับก็ไม่ใช่เออแต่มันหายเนียไปอันนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นให้ถอยกลับคืนมาซะก่อน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 ใจของเราก็มาอยู่ในความสงบดูในใจในสมาธิของเราแต่เราไม่ได้สัมผัสทางกายแต่นี้เรารู้ได้เลยว่ากายของเรากับใจของเราเป็นคนละอันกันแน่นอนนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจถ้าเราจะเปรียบเทียบให้ฟังอีกชัดเจนว่า ในตัวของเราเนี่ย เ, เราเปรียบเทียบกับร่างกายเหมือนกับรถแต่ใจของเราเหมือนกับคนขับรถเราจะบอกว่ารถของเราเนี่ยโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้ดยโซเฟอร์แล้วสุดท้าจบโซเฟอร์จะพาไปทางไหนรถก็จะไปทางนั้นถ้าว่าโซเฟอร์ขับรถดีรถก็จะไปในทางที่ดีถ้าโซเฟอร์อขี้เมา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 นั่งตลอดทั้งคืนก็ได้นั่งแตงแตงหัวค่ายันสว่างไม่ลุกเลยเอ่ด้เอสองสามวันนั่งตลอดเลยเออกราบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกเอเอเ อ, ออกพิจารณานะใช้ปัญญาพิจารณานะ อ, อย่าให้สงบอย่างนั้นสงบอย่างนั้นไม่ดีหรอกอต้องออกพิจารณาแต่หลวงตาเข้าไปกราบว่ามันไม่ออกครับมันอยากจะอยู่ในความสงบอยู่ตลอด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 ไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าแยกส่วนแบ่งส่วนเออให้เรานึกคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้ามีอะไรบ้างเออเราก็แยกออกมาเลยเออถอนผมออกกองหนึ่งขนทั้งหลายกองหนึ่งเล็บถอนไว้กองหนึ่งฟันถอดไว้กองหนึ่งหนังถลกไว้กองหนึ่ง เ, ออเนื้อเอาไวกองหนึ่งเอ็นกะดุกไว้เป็นกองหนึ่งตับปอดลำไส้ แต่ละอ่านละอ่านแยกส่วนแบ่งส่วนให้เป็นกองของใครของเราเหมือนกับอาการสามสิบสองอาการสามสิบของร่างกายเราแบ่งส่วนให้เป็นส่วนเป็นของกองๆแล้วนับดูชีวจรใจอันไหนคือของเราตาของเราใช่ไหมที่เป็นก้อนอยู่นั่นที่มนกองอยู่นั่นหูเป็นของเราใช่ไหมจมูกเป็นของเราใช่หมลิ้นเป็นของเราใช่ไหมกายเป็นของเราใช่หมหนังเป็นของเราเนื้อเป็นของเรากระดูกเป็นของเราใช่ไหม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 เสียศูนย์มื่อกั้นน่ะรักจนเสียศูนย์ก็จะไม่มีโกรธจนเสียเสียสูนก็ไม่มีโลภจนเสียศูนก็จะไม่มีเนียเสียศูนย์น่นคือคือเป็นบ้าเป็นบอเรื่อความโลภความโกรธความหลงเหล่านั้นแต่ถ้าเราจะไม่ไม่เป็นบ้าเพราะอันไหนเกิดขึ้นมาเราก็จะพิจารณาในเมื่อพิจารณาแล้วก็พิจารณาตัวเองอีกพิจารณาถึงตัวผู้รู้คือใจใจของเราเนไปหลงอะไรไปหลงว่าเสียงเหล่านั้นเป็นของเร า, เ ป, เ, ราเป็นของตัวตนตลอดไปใช่ไหมมันก็ไม่ใช่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 นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ต้องหาที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานิพพานังปรามังสูนอย่างนิพพานศูนย์สูนย์อะไรศูนย์เชื้อที่จะทําให้เกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหะศูนย์ออกจากใจของเราแล้วด้วยตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาพวกเราได้กันกรองไตรตองดูแล้วเ อ, อจากนั้นก็เราก็หมดไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็จบลงอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นขอให้คณะัท่าญาติโยมทุกทท่าน นวันนี้หลวงพ่อเองได้มาเห็นคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเด็ดนําภาคปฏิบัติแนวแถวพ่อแม่คูบาจารย์หรือแนวแถวที่หลวงพ่อได้ประสบพบเห็นได้ศึกษาและก็ได้ปฏิบัติมามาขยายผลบอกกล่าวให้กับคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานได้ฟังแล้วก็ขอให้ลูกหลานคณะทศัทา ญ, ญาติโยมฟังแล้วก็นําไปการกลองไต่ตอง